ขอบคุณแฟนขาวนะคะั่นแต่เลตกราวซีซั่นหนึ่งที่ติดตามรักเอยแล้วก็อยากจะบอกว่าเสื้อตัผ่าว่าคืรักเอยตัวจริงครับขอบคุณแฟนขาวนะคะนัแต่เลตกราวซีซั่นหนึ่งที่ติดตามรักเอยแล้วก็อยากจะบอกว่าเสื้อตัผ่าว่าคืรักเอยตัวจริง